หนึรปวรณาทานานุชานาว่าด้วยทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุไข่มอบปวารณาเรื่องภิกษุไข่มอบปวารณาข้อสองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงประชุมกันสงจักปวารณาเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า มีภิกษุเป็นไข้อยู่พระพุทธเจ้าข้าภิกษุนั้นมาไม่ได้พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุไข้มอบปรวรณาภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุไข้พึงมอบปรวรณาอย่างนี้ภิกษุไข้นั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งหม่มบุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอมอบปรารณาท่านจงนำปวารณาของข้าพเจ้าไปจงบอกปรารณาของข้าพเจ้าจงปรารณนาแทนข้าพเจ้าภิกษุผู้มอบปรารณนาให้ภิกษุนำปรารณารู้ด้วยกายให้รู้ด้วยวาจาหรือให้รู้ด้วยกายและวาจาปวารณาเป็นอันมอบให้แล้วภิกษุผู้มอบปรารณาไม่ให้ภิกษุผู้นำปรารณารู้ด้วยกายไม่ให้รู้ด้วยวาจาหรือไม่ให้รู้ด้วยกายและวาจา ภาวณาเป็นอันอยังไม่ได้มอบถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือตังหามภิกษุไข้ามาในถ้ำกลางทรงแล้วระวณาภิกษุทั้งหลายถ้าพวกภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ได้ปรึกษากันดังนี้ว่าถ้าพวกเราจากย้ายภิกษุไข้อาการไขจะ ก, กำเริบหนักขึ้นหรือภิกษุไขาจากถึงแก่มรณภาพไม่พึงย้ายภิกษุไข สงพึงไปปภาวณาในสำนักภิกษุค่านั้นแต่สงไม่พึงแบ่งพวกกันทำภาวนาถ้าแบ่งพวกปภาวณาต้องบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุค่าได้มอบปภาวณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำภาวณาลบไปเสียจากที่นั้นภิกษุค่าพึงมอบภาวนาแก่ภิกษุรูปอื่นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุค่าได้มอบปภาวณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำภาวณาศึกเสียที่นั้นแล มรณภาพปฏิญญาเป็นสมณีนปฏิญญาเป็นผู้บอกคืนงสิกขาปฏิญญาเป็นผู้ต้องอันติมาวัตถุปฏิญญาเป็นผู้วิกลจริตปฏิญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปฏิญญาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นอาบัติปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่ทำเคืนอาบัติปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเคปณิยกรรม เพราะไม่สลัทิฏฐิบาปปฏิญญาเป็นบรรดาปฏิญญาเป็นเทยสังวาสปฏิญญาเป็นผู้เข้ารีดเดรธีปฏิญญาเป็นสัติรชานปฏิญญาเป็นผู้ฆ่ามารดาปฏิญญาเป็นผู้ฆ่าบิดาปฏิญญาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ปฏิญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีปฏิญญาเป็นผู้ทำลายสงฆ์ปฏิญญาเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนห่อพระโลหิตปฏิญญาเป็นอุปโตพยัญชนก ภิกษุไข่พึงมอบปรณาแก่ภิกษุรูปอื่นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบปรณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำปรณาหลุไปเสียในระหว่างทางปรณาเป็นอันยังไม่ได้นำมาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไขได้มอบปรณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำปรณาศึกเสียในระหว่างทางปฏิญญาเป็นอุปโตพยัญชนกปรณาเป็นอันยังไม่ได้นำมาภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไข่ได้มอบปรณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำปรณาเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วหลบไปเสียปวรณาเป็นอนนำมาแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบปวรณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำปรณาเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วศึกเสียปฏิญญาเป็นอุปโตปยัญชนกปรณาเป็นอนนำมาแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบปวรณาแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำปรณาเข้าที่ประชุมสงแล้วหลับเสียไม่ได้บอกปรณาเป็นอันนำมาแล้วภิกษุผู้นำปรนนาไม่ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุใครได้มอบปรนนาแล้วถ้าภิกษุผู้นำปรนนาเข้าที่ประชุมสงฆแล้วเผลอไปไม่ได้บอกปรนนาเป็น อ, อันนำมาแล้วภิกษุผู้นำปรนนาไม่ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นใค <sheets> รได้มอบปรณาแล้ว ถ้าภิกษุผู้นำปรวรรณาเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วเข้าสมาบัติไม่ได้บอกปรวรรณาเป็นอันนํามาแล้วภิกษุผู้นำปรวรรณาไม่ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบปรวรรณาแล้วถ้าภิกษุผู้นำปรวรรณา Kingdom, เข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วจงใจไม่บอกปรวรรณาเป็นอนนํามาแล้วแต่ภิกษุผู้นำปรวรรณานต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลาย ในวันปรวรณานั้นเราอนุญาตให้ภิกษุผู้มอบปรวรณามอบฉันทาด้วยเมื่อสองฆ์มีกิจธุระจำเป็น